ผู้เก้าล่วงปรโลกเสียแล้วพระพุทธภาษิตเอกธรร ม, มะมติตัะมุสาวาทิสะชันโตโนวิติ น, นะประโลกัสะนัติปาปังอาการิยังแปลว่าบุคคลผู้ล่วงธทมอันเอกเสียแล้วมีปกติพูดเท็จมีปรโลกอันข้ามเสียแล้วจะไม่ทำบาปเป็นไม่มี อธิบายความทำอันเอกในที่นี้ท่านหมายเอาสัจจะหมายเอาว่าคนไม่มีสัจจะมักพูดเท็จท่านว่าคนใดพูด1ิบคำจะหาจริงสักคำหนึ่งก็ไม่ได้คนนั้นชื่อว่ามักพูดเท็จข้อว่ามีปรโรคอันข้ามเสียแล้วนั้นคือไม่เชื่อเรื่องโลคหน้าบุคคลไม่มีสัจจะมักพูดเท็จและไม่เชื่อเรื่องโลคหน้า จะไม่ทำบาปเป็นไม่มีสัจจะในที่นี้ท่านหมายเอาสัจจวาจาคือความจริงทางวาจาหมายความว่าพูดจริงอย่างไรก็ตามคำจริงที่นักปราชญ์ท่านสรรเสริญนั้นต้องเป็นความจริงที่มีประโยชน์และถูกต้องตามทํามนองครองธรรมดังภาษิตว่าสัจเจอทเถจะทำเมจะอาหุสันโตปิติตา สัตตบรุษทั้งหลายตั้งอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมคือถูกต้องดังนั้นสัจจะที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและไม่ถูกต้องแม้จะจริงปรลาดท่านก็ไม่สารเสริญคำเทจแต่ผู้พูดมุ่งประโยชน์และสำเร็จประโยชน์อย่างดีทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังท่านให้อภัยไม่ถือเป็นบาปตัวอย่างเช่นหมออาจกล่าวเทศแก่คนไข้ของตนเพื่อไม่ให้คนไข้เสียกาลังใจ เพื่อให้มีกำลังใจโรคจะได้หายเร็วเพราะทันว่ากำลังใจของคนไข้สำคัญกว่ายาหมอจึงต้องให้กำลังใจแก่คนไข้เสมอแม้รู้ว่าต้องพูดเท็จบ้างก็ยอมการพูดเท็จมีโทษมากทั้งทางโลกและทางธรรมก็คือการพูดเท็จที่หักรานประโยชน์ผู้อื่นใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นยกย่องตนเกินความจริงคนสมัยโบราณถือสัจวาจาเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะกษัตริย์ จึงพูดกันติดปากว่ากษัตริย์ตรัดแล้วไม่คืนคำคนมักพูดเท็จคนอื่นขาดความเชื่อถือพอถึงคราวสำคัญจะต้องพูดจริงขึ้นมาบ้างคนอื่นก็ไม่เชื่อถือได้รับอันตรายเองอย่างเรื่องเด็กเลี้ยงแกะกับหมาป่าในทางศาสนาท่านว่าสัจจะเป็นคำไม่ตายวงเล็บสัจจเวอมตาวาจาเอสธรรมโมสนันโน ข้อนี้เป็นธรรมเก่าคนพูดจริงนำประโยชน์มาให้ตนและคนทั้งหลายนำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสนำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างเช่นอธิมุตตะสามเณรผู้ให้สัจจะกับโจรไว้แล้วก็รักษาสัจจะนั้นไม่ได้ห่วงใยในชีวิตของตนและมารดาจนโจรเกิดความเลื่อมใสอีกท่านหนึ่งคือมหาสุตโสมบัณฑิต ผู้ทรงให้ปฏิญาณกับโจรโปริศาสตแล้วรักษาสัญญานั้นไม่ได้หวงแหนรักษาชีวิตเลยท่านเหล่านั้นยอมสละชีวิตเพื่อรักษาคําสัตว์ในที่สุดทําให้โจรโปริศาสตรเลื่อมใสได้บัณฑิตย่อมถือว่าการนิ่งเสียไม่ยอมพูดประเสริฐกว่าการพูดเท็จเพื่อหักลางประโยชน์ผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นคําสัตว์ท่านเถวเป็นคําสุภาษิตอย่างหนึ่ง ดังที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ในสุภาสิทธสูตรปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายว่าวาจะประกอบด้วยองค์5เป็นสุภาสิทธคือ 1. พูดถูกการ 2. พูดจริง 3. พูดไพเราะอ่อนหวาน 4. พูดมีประโยชน์ 5. พูดด้วยจิตเมตตาส่วนในสุภาสิทธสูตรตติยวัคแห่งสุตตนิบาต ทรงแสดงลักษณะแห่งคำสุภาษิต4คือ 1. พูดคำดี 2. พูดเป็นธรรม 3. พูดคำน่ารักน่าพอใจ 4. พูดคำสัตว์จะเห็นว่าทั้งสองแห่งขาดคำสัตว์ไม่ได้เพราะคำสัตว์เป็นลักษณะสำคัญของวาจาสุภาษิตคำเช่นนั้นไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนักปราชญ์บางท่านกล่าวว่าคนพูดเท็จนั้นเป็นคนสิ้นคิด คือไม่สามารถเอาความจริงมาพูดได้เป็นคนขาดเพราะไม่กล้าพูดความจริงอาจจะมีคนชอบพูดเท็จแย้งว่าคนพูดความจริงต่างหากเล่าเป็นคนสิ้นคิดเพราะไม่สามารถหาความเท็จมาพูดได้ธรรมดาความจริงเป็นสิ่งมีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันไม่ต้องเที่ยวแสวงหาแต่ความเท็จจำเป็นต้องเสกสรรปั้นแต่งขึ้นใครจะพูดความจริงก็พูดได้ทันทีตามที่รู้ที่เห็นเพราะฉะนั้น พวกเด็กๆ ก, ก็พูดความจริงได้แต่คนพูดเท็จเก่งจะต้องเป็นคนฉลาดมากเพราะสามารถพูดเรื่องไม่จริงให้คนเห็นว่าจริงได้อย่างไรก็ตามคนมักพูดเท็จนั้นจะต้องมีความจำดีจึงจะเท็จไปได้ตลอดคือจะต้องคอยจดคอยจำว่าเคยเท็จไว้อย่างไรบ้างมิฉะนั้นจะต้องถูกจับได้อย่างแน่นอนเมื่อมีผู้จับได้บ่อยเข้าความเคารพเชื่อถือในบุคคล น, นั้นก็หมดไป เหลืออยู่แต่ความรังเกียจเหยียดหยามหัวเราะเยาะเล่นจะพูดจะอะไรจริงจังสักครั้งหนึ่งคนทั้งหลายก็เห็นเป็นเท็จไปเสียอีกตกลงเสียคนไปทั้งชาติส่วนข้อว่าผู้มีปรโรภอันข้ามเสียแล้วนั้นคือผู้ไม่เชื่อปรโรภไม่เชื่อว่าชาติหน้าจะมีจริงไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องชาติหน้าเข้าทานองว่าขอมีความสุขสบายในชาตินี้ชาติหน้าจะเป็นอย่างไรก็ช่างบันเทิด อัตถกาถาแห่งพระคาถานี้กล่าวว่าผู้มีปรโลกอันปล่อยเสียแล้วตีความว่าไม่เอาใจใส่ต่อปรโลกคือโลกหน้าเทียบคำว่าวิสัถะสมาจาโรผู้มีความประพฤติอันปล่อยแล้วคือไม่เอาใจใส่ต่อความประพฤติไม่มีมารยาทอันดีงามปล่อยกิริยาวาจาตามสบายเป็นคำที่พระพเจ้าใช้เรียกพวกนักบวชนอกพุทธศาสนาบางพวก เช่นพวกเปลือยกายไว้ผมยาวไม่สะไม่ล้างเช็ดอุจจาระด้วยมือเป็นต้นนักบวชพวกนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสมาจารย์อันปล่อยเสียแล้วฉบับอังกฤษของดออรราชปริษนันแปลคำวิติ น, นะปรโรกัศสะว่ายะเย้ยหรือหัวเราะยะโลกอื่นรวมความว่าไม่เชื่อโลกอื่นใครเชื่อเข้าคนพวกนั้นก็หัวเราะยะ่เอาว่าเป็นคนโง่ ยอมเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นไม่กล้าทำความชั่วบางอย่างเพราะเกรงโทษในปรโลกเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเอารัดเอาเปรียบในสมัยพุทธเจ้าก็คงจะมีนักคิดพวกนี้เหมือนกันสมัยนี้เรียกนักคิดพวกนี้ว่าพวกจารวากคือเป็นพวกวัตถุนิยมบรรดาปรยาอินเดียนั้นมีจารวากสายเดียวเท่านั้นที่ได้รับนามว่าเป็นปรยาวัตถุนิยม ถือว่าวัตถุอย่างเดียวเท่านั้นจริงเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องเลวไหลความรู้สึกนึกคิดต่างๆเป็นผลของวัตถุหมายความว่ามันมีขึ้นเพราะมีกายจิตหรือวิญญาณนั้นว่าโดยตัวของมันเองแล้วไม่มีมนุษย์และสัตว์จึงเป็นวัตถุที่ประกอบขึ้นจากาธาตุคือดินน้ำลมไฟเมื่อตายแล้วก็เป็นอันหมดกันไม่มีโลกหน้าไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนิพพาน เรื่องการทำบุญให้ทานเป็นเรื่องของคนโง่ถูกหลอกลวงให้ประพฤติดีเพื่อบังเกิดประโยชน์แก่ผู้สอนนั่นเองเรื่องพระเจ้าต่างเป็นเรื่องเพ้อฝันหาสาระอันแท้จริงอะไรไม่ได้เป็นเรื่องของคนโง่หลอกคนโง่อีกชั้นหนึ่งเพราะความเชื่ออย่างนี้จารวากะจึงสอนว่าจงกินจงดื่มจงเพลิดเพลินเสียแต่วันนี้ความเพลินหรือความเพลิดเพลินนั่นเองเป็นสาระสำคัญของชีวิต และเชื่อว่าความเพลิดเพลินเป็นความดีอันสูงสุดของมนุษย์คือว่าให้ได้ทำอย่างที่พอใจชีวิตเป็นที่สุดของชีวิตเองคือไม่มีชีวิตใหม่อีกแล้วทำนองเดียวกับที่ฝรัง่งบางพวกถือว่าเราผ่านมาทางนี้เพียงครั้งเดียวไม่จาเป็นต้องควบคุมกิเลสตัณหาและสรรสาตยานต่างๆเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่รับช่วงกันมาเพราะฉะนั้นจารวากจึงเห็นว่า เมื่อยังมีชีวิตอยู่จงสนุกสนานเพลิดเพลินให้เต็มที่มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายกินอาหารดีแม้จะต้องเป็นหนี้เป็นศินเพราะต้องกินต้องอยู่อย่างดีก็ควรทำเขามีสุภาษิตของเขาเองว่ายาวชีวันสุขํมชีเวอินังกตวาททิงปิเวพัฒสมิงกตะตัเทหัตสะปุราคามังกุโต เมื่อยังมีชีวิตยอยู่ก็ขออยู่อย่างมีความสุขแม้จะต้องกู้หนี้ยืมสินมากินก็ยอมเพราะเมื่อร่างกายกลายเป็นเท่าฐานแล้วจะกลับมาอีกไม่ได้จาระวกกะเห็นว่าความสุขนั้นแม้จะยังคุกคขาอยู่ด้วยความทุกข์แต่มันก็เป็นสิ่งดีงามประการเดียวในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นจึงควรจับสวยเอาไวา้การยอมทนทุกข์ในชาตินี้เพื่อความสุขในชาติหน้านั้น เป็นความเขาอย่างยิ่งไม่มีคนฉลาดคนใดยอมทิ้งเข้าเปลือกเพราะเห็นว่ามันมีเปลือกทิ้งปลาเพราะเห็นว่ามันมีก้างเป็นต้นความสุขและความทุกย่อมคุกเคล้ากันไปสุขโดยส่วนเดียวนั้นไม่มีทางที่จะหวังได้จารวากะยังให้คำคมไว้ด้วยว่านกพิราบในวันนี้ดีกว่านกยุงในพรุ่งนี้คือให้แสวงหาความสุขเสียในวันนี้ชาตินี้ เท่าที่สามารถจะหาได้อุดมคติของชีวิตคือความสุขความพอใจแต่พอมาถึงปัญหาว่าควรจะสแสวงหาความสุขอย่างไรจาระวากะก็ยอมรับเหมือนกันว่าการประกอบกรรมดีเป็นทางนำไปสู่ความสุขจาระวากะยังยอมรับศีลธรรมสากลของโลกอยู่ส่วนพระพุทธศาสนามีทัศนะที่ไม่ลงรอยกับจาระวากะหลายประการเช่น พระพุทธศาสนาสอนให้ถือธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแม้จะต้องประสบทุกข์เพราะการประพฤติธรรมก็ขอให้ยอมให้ยอมสละทุกอย่างเพื่อทำดังพุทธศาสนาสุภาษิตว่าท่นังจะเชอังควะรัตสเหตุอังคังจะเชศีวิตังรักขมาโนอังคังท่านังชีวิตันจ่าปิสพังจะเชนโรธรรมะ มนุสสันโตแปลว่าบุคคลพึงยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเมื่อรัลึกถึงธรรมพึงยอมสละทั้งอวัยวะทรัพย์และชีวิตรวมความว่าให้ยอมสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาธรรมไว้จะกล่าวไปถึงความสุขความเพลิดเพลินเล็กๆน้อยๆจาเลาวกะไม่เชื่อโลกหน้าปฏิเสธเรื่องการทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย แต่พระพุทธศาสนายอมรับว่าโลกหน้ามีอยู่จริงการทําบุญอุทิศให้ผู้ตายมีผลจริงนรกสวรรค์มีจริงจาราวากะเน้นหนักเรื่องให้สแสวงหาความสุขความเพลิดเพลินให้แก่ตนแต่พระพุทธศาสนาเห็นว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นความประมาทมัวเมาเกิดไปจาราวากะให้หาความสุขเสียในวันนี้ชาตินี้แต่พระพุทธศาสนาเห็นว่าชีวิตในชาตินี้น้อยเกินไปเหมือนซาลาหยุดพักชั่วคราว ชีวิตอันยาวนานแท้จริงนั้นอยู่ในโลกหน้าคือนรกหรือสวรรค์จึงควรยอมสละความสุขเล็กน้อยและในระยะสั้นเพื่อความสุขอันไพ่บูญยาวนานในโลกหน้าเหมือนยอมเสียภาชนะดินเพื่อได้ภาชนะทองคําจาระวัตกเห็นว่าวิญญาณหรือจิตเป็นผลผลิตของร่างกายแต่พระพุทธศาสนาเห็นว่ากายเป็นผลมาจากวิญญาณคือวิญญาณเป็นผู้สร้างร่างกายตามหลักของปัจจัยาการที่ว่า วิญญาณปัจจยานามวรูปังป่งเล็บนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจิตและกายเป็นคนละอย่างแต่อาศัยกันพระพุทธศาสนาทั้งเทราวาธและมหาญาณเป็นจิตตะนิยมเห็นว่าจิตมีความสำคัญกว่ากายทำทั้งหลายมีจิตเป็นหัวหน้าสำคัญที่จิตตรงกันข้ามกับจาระวาะทีเดียว บุคคลผู้ไม่เชื่อโลกหน้าทำบาปได้ง่ายกว่าผู้เชื่อเพราะเห็นว่าถ้าเอาตัวรอดได้ในโลกนี้ก็เป็นอันปลอดภัยแต่คนเชื่อโลกหน้าแม้จะทำชั่วในที่ลับก็เกรงภัยในโลกหน้าจึงไม่กล้าทำถ้าทำก็ทำอย่างหวาดหวั่นต่อผลในโลกหน้าเมื่อทำความดีก็มีความมั่นคงกว่าคนไม่เชื่อโลกหน้าเพราะมีความหวังว่าหากกรรมนั้นยังไม่ให้ผลในโลกนี้ก็จะให้ผลในโลกหน้า ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนไม่มีสัจจะมักพูดเท็จไม่เชื่อปโรโลกจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีเรื่องนี้พระศาสดาตรัสขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาบถีทรงปราบรบนางจินจมานวิกามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางจินจมานวิกา ในปฐมพโพธิการคือระยะต้นแห่งการประกาศศาสนาของพระศาสดาเมื่อภะษาวกของพระองค์มีมากประมาณไม่ได้เมื่อเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากอย่างลงในอริยภูมิและเมื่อพระคุณสมุทัยของพระศาสดากำลังแผ่ภัยสารอยู่นั่นเองลาบสการะและความนับถือเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่พระศาสดาและระสาวก พวกเดลถีนิครนทั้งหลายเป็นเช่นกับแสงหิ่งห้อยท่ามกลางแสงอาทิตย์เป็นผู้เสื่อมจากลาบสการะเพราะไม่มีใครนับถือพวกเดลถีเหล่านั้นยืนอยู่กลางถนนแล้วประกาศว่าพระโคดมเท่านั้นหรือเป็นพระพุทธเจ้าพวกเราก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันทานที่ให้แก่พระโคดมเท่านั้นหรือมีผลมากทานที่ให้แก่พวกเราก็มีผลมากเหมือนกันเพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงทำแก่เราบ้างแม้กระนั้นก็ไม่อาจยังลาบสการะให้เกิดขึ้นได้จึงประชุมรับกันว่าพวกเราควรหาโทษใส่พระสมณะโคดมสักอย่างหนึ่งให้คนทั้งหลายหมดความเชื่อความเลื่อมใสในพระสมณะโคดมลาบสการะความนับถือจะได้เกิดขึ้นแก่พวกเราอย่างเดิมเขาตกลงกันว่าจะใช้หญิงหนึ่งเป็นเครื่องมือทาลายชื่อเสียงของพระพุทธเจ้า ในครั้งนั้นมีหญิงคนหนึ่งชื่อจินจะมานวิการูปสวยมากเหมือนเทพ อ, ปอัปปสรท่านว่ารัศมีออกจากกายของเธอนางเลื่อมใสเป็นพวกเดียวกันกับเดรัถีพวกนั้นวันหนึ่งขณะที่จินจะมานวิกาปริภาชิกาไปหาพวกเดรัถีที่อารามทำความเคารพแล้วยืนอยู่ที่เคยมาเดรัถีย่อมแสดงอาการยินดีต้อนรับ เมื่อนางมาแต่วันนั้นทุกคนเฉยไปหมดนางพูดว่าพระคุนเจ้าดิฉันไหวยอย่างนี้ถึงสามครั้งแต่พวกเดลธีก็ยังคงเฉยอย่างเดิมนางคิดว่าเธออาจมีความผิดอะไรสักอย่างจึงถามว่าดิฉันมีความผิดอะไรหรือดิฉันได้ทําอะไรให้ไม่เป็นที่พอใจของพระขุนเจ้าหรือจึงพากันนิ่งไปหมดไม่ยอมพูดกับดิฉันเดลธีจึงกล่าวว่า น้องหญิงเจ้าไม่ทราบดอกหรือว่าเวลานี้ลาบสการะของเราเสื่อมหมดแล้วเพราะใครเพราะพระสมมาโคดมคนเดียวเจ้าไม่รู้สึกเจ็บร้อนแทนเราบ้างเลยหรือจินจะมาณวิกาตอบว่าความทุกข์ของพระคุณเจ้าทั้งหลายก็เหมือนความทุกข์ของดิฉันเองไว้เป็นหน้าที่ของดิฉันเถิดจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยทำลาบสการะให้เกิดขึ้นแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายดังเดิมดังนี้แล้วหลีกไป นางแต่งกายอย่างดีห่มผ้าสีสวยเหมือนสีแห่งปีกมแมลงค่อมทองถือของหอมและดอกไม้มุ่งหน้าสู่วัดเชตวันในเวลาที่ชาเมืองสาวถีฟังทำแล้วกลับออกมานางเดินสวนทางเข้าไปเมื่อมหาชนถามว่าจะไปไหนเวลานี้นางตอบว่าธุระอะไรของพวกท่านในการไปหรือการมาของข้าพเจ้า ดังนี้แล้วเดินผ่านวัดเชตาวันไปพักอยู่ที่วัดของพวกเดลธีใกล้พระเชตวันนั่นเองตอนช้าเมื่ออุบาศกอุบาสิกาชาวนาครสาวัตถีออกจากนาครไปพระเชตาวันเพื่อถวายบังคมพระศาสดานางจินจมามนวิกาธรำ ท, ทีเหมือนว่าตนพักอยู่ในวัดเชตวันทั้งคืนโดยการเดินสวนออกมาเมื่ออุบาศกถามว่าท่านพักอยู่ที่ไหนนางตอบว่าธุระอะไรของพวกท่าน กับที่พักของข้าพเจ้านางทําอยู่อย่างนี้ประมาณสองเดือนเมื่อคนทั้งหลายถามอีกจึงตอบว่าข้าพเจ้าพักอยู่ในพระคันธ ก, กุฎีของพระสมณโคดมในวัดพระเชตวันนั่นเองปุถุชนทั้งหลายสงสัยกันมากว่าข้อความที่นางจินเจมานวิกากล่าวนั้นเป็นความจริงหรือหนอส่วนพระอริยบุคคลไม่มีใครเชื่อเลยล่วงไปสาสี่เดือน นางอาผาพันท้องให้หนาขึ้นเพื่อแสดงว่ามีคันและให้คนทั้งหลายเข้าใจว่านางตั้งคันเพราะร่วมอภิรมกับพระสมณโคโดมบรมมห า, าสดาที่พระคันท ก, กุดีในวัดเฉตวันพอถึงเดือนที่8ที่9นางเอาไม้กลมๆผูกไว้ที่ท้องเอาผ้าห่มทับไว้ให้คนเอาไม้คางโคทุบหลังมือหลังเท้าของตนให้บวมขึ้น ให้มีอวัยวะต่างๆบอบช้ำล่อลวงคนทั้งหลายให้เข้าใจว่าตนมีคันแก่จวนคลอดเต็มทีแล้วเย็นวันหนึ่งขณะที่พระศ า, ศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่ถ้ำกลางพุทธบริษัทในธรรมสภานางได้เข้าไปยืนตรงพระพักรพระตถาคตเจ้าแล้วกล่าวว่ามหาสมณะพระองค์ดีแต่แสดงธรรมแก่มหาชนเท่านั้นกระแสเสียงของพระองค์ไพเราะยิ่งนัก พระโอษของพระองค์ดูสนิทดีแต่พระองค์ไม่ได้สนพระไทยในหม่อมชั้นเลยหม่อมชั้นซึ่งตั้งคันครบกําหนดคลอดแล้วคันนี้อาศัยพระองค์ตั้งขึ้นพระองค์ไม่เอาพระไทยใส่ต่อเครื่องบริหารคันเลย mm hmm. เมื่อไม่ทําเองก็ควรตัดบอกสานุรสิทธิคนใดคนหนึ่ง mm hmm. เช่นนางวิสาขาหรืออนาถปิณิกะหรือพระเจ้าประสิทธิโกศ ให้ช่วยเหลือในการนี้พระองค์ทรงรู้แต่การอภิรมย์อย่างเดียวแต่ไม่ทรงสนพระไทยในเรื่องการคลอดของหม่อมชั้นเลยความพยายามของนางประหนึ่งจับก้อนคูดขึ้นปาบนทนพระจันทร์พระตถาคตเจ้าหยุดแสดงธรรมครู่หนึ่งเมื่อนางพูดจบพระพุทธองค์ตรัส ด, ด้วยพระกระแสเสียงอันเรียบว่าน้องหญิง เรื่องนี้เราสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนางจิจมานวิกาคงโกรธมากเต้นด่าพระตถาคตเจ้าจนเชือกขาดผ้าและท่อนไม้กลมเกลี้ยงหล่นลงมาจากท้องของนางมหาชนได้เห็นกับตาเช่นนั้นก็แช่งด่า น, นางจิจมานวิกาว่าเป็นหญิงกาลกิ น, นีใส่ร้ายพระสัมมะโคดมพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นทมน้าลายใส่บ้งางความ ด้วยก้อนดินและท่อนไม้บ้างฉุดกระชากออกจากวัดเชตวันพอรับครองพระเนตรของพระาศาสดาไปเท่านั้นจินยมานวิกาก็ถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในอเวจีมหานรกวันรุ่งขึ้นพิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาถึงเรื่องที่นางจินยมานวิกาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าแล้วถูกแผ่นดินสูบพระาศาสดาเสด็จมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อนนางจินจมาในวิกานี้ก็เคยหาเรื่องใส่ร้ายเราและถึงความพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสใจความสำคัญในมหาปทุมชาดกว่าผู้เป็นผู้ใหญ่ยังไม่เห็นโทษน้อยใหญ่ของผู้อื่นโดยประการทั้งปวงแล้วไม่พิจารณาเห็นด้วยตนเองแล้วไม่พึงลงโทษความย่อในมหาปทุมชาดกนั้นดังนี้ ครั้งนั้นนางจินจามานวิกาเป็นหญิงร่วมสามีกับพระมารดาของมหาปทุมกุมาร น, นางเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระราชาวงเร็บพระราชบิดาของพระปทุมกุมารโพธิสัตว์นางมีจิตปฏิพัตในพระปทุมกุมาร น, นั้นจึงเย้ายวนชวนเชิญให้ประกอบกาเมสมิจฉาจารย์กับนางแต่พระโพธิสัตว์ไม่ทรงยินยอมไม่ยอมตามอย่างนั้น ด้วยเห็นเป็นเรื่องหน้าบัด ส, สีนางจึงแกล้งทาอาการว่าเป็นไข้และมีอาการแห่งผู้ตั้งคันเมื่อพระราชาตัดถามก็ใส่ความว่าพระปทุมกุมารราชโอรสของพระองค์ทำให้หมอมชั้นมีอาการอันแปลกนี้พระราชาทรงกลิ้วจึงให้ทิ้งพระโพธิสัตว์ลงยังเหวที่ทิ้งโจรเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ภูเขาได้รับพระโพธิสัตว์ไว ให้ปฏิสถานอยู่ที่พังพานของพญานาคราชพญานาคราชนํ า, า, า, น า, านท่านไปสู่นาคพิภ พ, พแบ่งราชสมบัติให้ครองครึ่งหนึ่งพระโพธิสัตว์อยู่ในนาคพิภ พ, พ, พ ป, ปีหนึ่งอยากจะบวชจึงไปสู่หิมวันตะประเทศบวชได้ฌานและอภิญญาต่อมา พ, าพรานไพยผู้หนึ่งมาพบพระโพธิสัตว์เข้าจําได้จึงกลับไปกราบทูลพระราชาพระราชาเสด็จมาเฝ้าทรงทราบเรื่องความเป็นมาทั้งปวงแล้ว ทรงเชื้อเชิญให้ไปครองราชสมบัติแต่ท่านทรงปฏิเสธและขอร้องให้พระราชาครองแผ่นดินโดยธรรมอย่าได้มีอคาาติพระราชาเสด็จกลับพระนครให้จับพระมเหสีผู้กันแกล้งใส่ร้ายพระโพธิสัตว์นั้นไปทิ้งณเหวที่ทิ้งโจรแล้วครองแผ่นดินโดยธรรมพระาศาสดาทรงประชุมชาดกว่าหญิงผู้นั้นในการนั้นมาเป็นนางจินจมานวิกา ส่วนปทุมคุมารคือพระองค์เองพระตถาคตเจ้าตัดในที่สุดว่าบุคคลผู้ล่วงธรรมอันเอกเสียแล้วมีปกติพูดเท็ศมีปรโลกอันข้ามเสียแล้วจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีมีนยะดังพรนนานามาแล้วแต่ต้นอย่างธรรมกคาสาไทยสมนเตหิสันละเคตปาติ นี่แล้วก็ทำให้นึกถึงพระพุทธศาสนาในอดีตนะซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นไปจากความอิจฉาริษยาพอโลกนี้มันก็มีสิ่งนี้อยู่ตลอดทุกยุคทุกสมัย ก็เต้องหาวิธีทุกวิธีทางแต่การที่จะทำร้ายหรือทำลายได้นั้นสถาบันนั้นต้องอ่อนกำลังถ้ายังแข็งแกร่งก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำลายได้แต่เมื่อไรอ่อนกำลังลงก็เป็นโอกาสของเขาเบื่อพุทธศาสนา ดับศู์หายไปจากอินเดียซึ่งเราก็ได้แต่ปรงธรรมะสังเวชเนี่ยดูความเจริญเนี่ยมองได้หลายแง่เนี่ยถ้าแง่หนึ่งถ้ามุ่งแต่ศาสนวัตถุแต่ทิ้งศาสนธรรมก็ทำให้กำลังของาศาสนานั้นก่อนกำลังลงได้เนี่ย ก็น่าสันนิษฐานว่าบางยุคนี่มีการแข่งขันกันในการสร้างวัตถุเราจะเห็นว่าในยุคไหนสร้างหินก็จะสร้างหินยุคไหนสร้างอิฐก็จะสร้างอิฐนี่หรือสร้างอะไรก็จะสร้างแข่งขันกันให้เป็นความยิ่งใหญ่ในด้านวัตถุนี่ก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมุ่งมั่นในทางนั้นมากมันก็เป็นทางเสื่อมของพระธรรมเหมือนกันนี่ ว่าถ้าทำมากมันก็ทำให้ละเลยต่อการศึกษาหาความรู้ได้คำสอนในส่วนที่เป็นเนื้อแท้คือธรรมวินัยเนี่ยความรู้ด้านนี้อ่อนกําลังลงเนี่ยผู้ที่คิดจะแทรกแซงมันก็เลยหาโอกาสหาช่องได้ง่ายเพราะคนไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเนี่ยก็เลยหลอกเอาได้ง่ายๆเนี่ยแต่ในยุค ที่มีพระอาหารหันต์มากมีพระอาาริยะเจ้ามากเนี่ยใครจะทำอะไรก็ทำไม่ได้เห็นไหมอย่างพวกนิคนพวกเดร ถ, ถีพวกนอกศาสนาเนี่ยเขาก็พยายามมาโดยตลอดแต่ก็ไม่สำเร็จเนี่ยนี่แต่เขาก็ไม่ละความพยายามเห็นไหมแม้แต่เขามาถึงสมัยพระเจ้าอาโศกท่านฟื้นฟูขึ้นมาจเจริญรุ่งเรืองก็ยังมีคนที่ไม่พอใจคิดจ ะ, ะทำลายหรือจัดการพระวุทธศาสนาเนี่ย แต่มันไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเ่จนกระทั่งว่าพระเจ้าอาโศกหมดพระราชอำนาจนี่หมดอำนาจแล้วก็เป็นช่องทางเ่เพราะใครอื่นจะมีพระไทยศรัทธาเลื่อมใสทุ่มเททั้งกายและใจหรือพระไทยนะอย่างพระองค์ไม่มีในรุ่นของทายาทของพระองค์เองก็ เห็นพระองค์ได้ทุ่มเทให้พุทธศาสนามากก็มองไปเสในแง่นึงในแง่ลบมองว่าทำไมต้องทุ่มเทให้ศาสนาจนกระทั่งว่าทรัพย์ ส, สินต่างๆก็เอาไปทุ่มให้ศาสนาหมดก็ไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสจนแสดงออกซึ่งความมีอํานาจเห็นพระองค์ ทรงแก่แล้วเนี่ยอำนาจก็น้อยลงตนเองกําลังหนุ่มก็เลยแย่งสิ่งคลองสมบัตินะสถาปนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแดงเลยพระองค์ก็บระราชอํานาจนี่ยบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะทําอะไรก็ทําไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุในบทยุคของพระองค์พระพุทธศาสนาก็ขาดการทำนุบํารุงส่งเสริมขาดกําลังนี สไ้ลยกำลังอ่อนขาดการสนับสนุนก็ไปไม่ไหวเนี่ยเมื่อมีกำลังสนับสนุนเนี่ยการศึกษาเราเรียนก็อ่อนล้าลงเไม่เหมือนอย่างของเรานี่อยู่ได้เราจะเห็นว่าเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์ให้ความสำคัญต่อพระศาสนาได้ทั้งอยู่ได้เนี่ยมีการสังคยนามาตลอดสังคยนาไม่ได้สังคายนาแบบสากล แต่ก็มีการตรวจทานอยู่ทุกๆุกพระองค์เนี่ยตรวจทานเทียบเคียงหลักคำสอนเนี่ยเป็นระยะระยะคือเปรียบเทียบพระไตรปิฎกฉบับโน้นฉบับนี้ฉบับบาลีสันสกิตหรือฉบับภาษาอังกฤษหรือของพมา่าหรือของใครที่มีก็มาเทียบเคียงเพื่อตรวจทานนให้เกิดความแม่นยาอยู่เสมอเนี่ยนั้นเป็น ความใสใ่พระไทยของพระมหากษัตริย์เนี่ยจึงทำให้พุทธศาสนาเนี่ยมีความแข็งแกร่งมาเนี่ยถ้าพระราชาหรือผู้มีอำนาจเนี่ยไม่ให้การสนับสนุนเนี่ยถึงพระจดันไปยังไงก็คงจะไปยากเหมือนกันเนี่ยยากอยู่สถานสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยจึงมีความสำคัญเนี่ยแลโดยเฉพาะพุทธศาสนานี้อยู่ได้เพราะ พระมหากษัตริย์เหมือนกันนี่ยถ้าพระมหากษัตริย์ไม่นับถือพุทธศาสนาก็ดูไปเทีนี้มันก็เริ่มถดถอยลงถูกยึดถูกอะไรแล้วก็เอาศาสนาใหม่เข้ามาเหมือนศรีลังกาที่เคยมีประวัติศาสตร์เนี่ยแต่ว่าด้วยบุญของพระศาสนาก็ยังมีบุคคลสําคัญนี้สามารถฟื้นฟูพระศาสนากลับคืนมาได้เหมือนกันเนี่ศรีลังกาก็เกือบจะหมดเลย ตั้งแต่พวกโปรโตเกตพวกอะไรเข้ามานี่พวกกลาเมืองขึ้นทั้งหลายนีย่จนกระทั่งว่าบังคับคนคนที่เป็นพุทธนี่แหละนี่เข้าไปเป็นคริสเนี่ยพวกที่ไม่แข็งแกร่งพอจิตใจไม่เข้มแข็งพอก็ด้วยความกลัวนี่ก็ยอมตามกําหบดส่งลูกส่งล้านไปเล่าไป เ, เรียนโรงเรียนของเขาหมดเขาก็มีกฎกติกาไม่ให้วายพระแต่วายพระเจ้าของเขา สวดมนต์ on, on. อ่อนวอนกราบคุณพระเจ้าเนี่ยเด็กมันก็ไปง่ายอยู่แล้วเด็กอะไรมันก็ได้นะแต่มันก็มีเด็กที่สําคัญเดียวกันนะเด็กคนนั้นก็คือคนสําคัญที่เราเคยรู้จักเคยเล่าให้ฟังนะก็คือท่านธรรมปาร่าละเนี่ยอ ย, อย่างเล็กๆอยู่เลยแต่มีปณิสัยมั่นคงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากเนี่ย ขนาดเพื่อนๆ เ, เขาเป็นทนับถือศาสนาอื่นหมดแล้วเนี่ยเขาคนเดียวเท่านั้นที่ยืนหยัดไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาเนี่ยไปเข้าโรงเรียนถูกบังคับ<อ>ให้สวดมนต์ให้อะไรเนี่ยเาไม่เอาเนี่ยเดี๋ย ว, ว่าแข็งข้อจนถูกลงโทษบ่อยๆเนี่ยลงโทษเขาก็ไม่กลัวเนี่ยเพราะพ่อแม่เขาเดีย ว, ว่า มั่นคงมากเนะี่ยเขาไม่ยอมเปลี่ยนในะพ่อแม่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนเนะี่ยอย่างนับถือพุทธศาสนาอย่างชีวิต จ, จิตใจเลยเนะี่ยเขาก็เป็นเด็กที่ เ, เรียกว่าสืบทอดนะเนีเ่ยตามที่พ่อแม่เขาได้พานับถือมาเนะี่ยมีเรื่องที่เขากล้าถึงขนาดว่ายอมให้ลงโทษนะเนี่ยผมอาจจะเคยเล่าไปแล้วว่า วันสำคัญของพุทธศาสนาเนี่ยทางโรงเรียนเขาไม่หยุดให้เนี่ยเมื่อไม่หยุดท่านก็ไม่ได้ทำกิจกรรมทางศาสนาเ่ท่านก็ไปขอลาครูนี่ยขอลาครูบอกว่าไปอะไรเนี่ยบอกว่าไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยครูเขาไม่อนุญาตเนี่ยบอกว่าไม่มีกฎไม่มีธรรมเนียมเนี่ย ไม่มีธรรมเนียมที่จะให้เธอไปได้เนี่ยพอครูไม่อนุญาตเท่านั้นแหละเข้าไปห้องหอบเอาหนังสือหนังหาไม่ลาครูเลยกลับเลยกลับบ้านเลยใจเด็ดเดียวมากเลยไปทำกิจกรรมกับพ่อแม่กับครอบครัวในเรื่องศาสนาในวันสำคัญพอกลับมาครูก็ตีเลยลงโทษก็ยอมไม่ตเีเพื่อนก็ล้ออีกว่า เ, เด็กโง่ เรื่องแค่เรื่องศาสนาเรื่องไร้สาระมันยอมให้ครูตีมันโง่จริงๆไอ้นคนนี้ก็ <c oughs> ว่าไปเอีกม่แต่ก็ช่างเขาแต่ก็ทนแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกปีพอวันสำคัญทางศาสนามาครับครูไม่ให้มาไม่อนุญาตแกก็มาเนี่ยมาก็ถูกตีทุกครั้งเนี่ยเป็นคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวก็เรียกว่าใจสิงมากเลยเนี่ยท่านก็เลยเป็นบุคคลสำคัญโตขึ้นมา ทุ่เทใหศาสนาขนาดไหนนะ่ะเรียนจบแล้วจบปริญญาไปสอบเข้าบรรจุสอบเข้าราชการนะขณะที่สอบได้กับงานพระศาสนามาพร้อมกันในช่วงนั้นมีพระเถระรูปหนึ่งนะท่านลนลงในการกู้พระศาสนาเนะี่ยโจมตีศาสนาว่าใบศาสนาคริสต์นะจนมีการโต้วาทะกันนัดโต้วาทะกันคนมาพระลานหลวงมนสนาลหลวงเลยนะ โตวาทะากันปรากฏว่าท่านเก่งท่านโตได้แบบท่านท้าเลยว่ามาเป็นร้อยเป็นพันท่านอง์เดียวท่านจะท่านจะเอาเองเนี่ยขนาดนั้นเลยนะนี่ท่านก็เลยเป็นกำลังให้สาวพุทธได้ตื่นตัวคนที่หลงไปนับถือก็เห็นว่าท่านเอาจริงกัจังพวกที่เห็นใจท่านสนับสนุนก็เลยหันมาสนับสนุนท่านเลยมีกำลังขึ้นมานย ในช่วงนั้นกำลังต้องการกำลังสำคัญคือคนมีความรู้เนี่ยท่านธรรมปาระนี่โตขึ้นพอดีเรียนจบแล้วก็สอบเข้าราชการสอบได้พอดีเขาจะบรรจุพอดีกับพระเถระต้องการคนที่จะมาช่วยทางนี้เป็นหัวเลียวหัวต่อที่ท่านจะต้องตัดสินใจว่าจะเอาทางโลกหรือจะเอาทางธรรมเนี่ยสุดท้ายท่านเสียสละเนี่ยท่านเสียสละไม่รับเข้าบรรจุราชการแต่สละ มาทําเพื่อศาสนาเนี่ยมาทําคู่กับพระเถระเนี่ยเนื่องจากว่าครอบครัวท่านก็พอจะมีพอจะกินเนี่ยครอบครัวท่านมีโรงพิมพ์เนี่ยสมัยก่อนโรงพิมพ์สมัยเก่าใชนี่ยก็เลยทํางานศาสนาอาศัยโรงพิมพ์นั้นปู่ก็ให้โรงพิมพ์นั้นเป็นอุปกรณ์สําคัญในการกู้ภาษาศาสนาในการที่จะส่งเอกสารต่างๆไปให้ชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยและรับทราบ แล้วขอกำลังสนับสนุนน่ท่วมเทกันขนาดนั้นนะท่านก็พยายามทำขนาดว่าตนเองก็ปัจจัยจะหมดเมื่อ่ได้ปัจจัยมานียอมอดข้าวเอาปัจจัยนั้นเพื่อจะได้ซื้อกระดาษพิมพ์เพื่อจะได้เอาข้อความต่างๆนี้ส่งไปให้ชาวพุทธในโลกทั้งโลกนี้ได้รับทราบนี่ บางครั้งยอมอดนะยอมอดกับข้าวทานข้าวเปล่าก็มีทุ่มเทถึงขนาดนั้นนะจังหวะที่ว่าท่านมีโอกาสได้ไปสังเวย ส, สถาน4ี่นีก็ได้ไปพุทธคยานี่เป็นจุดเริ่มต้นของท่านที่กอบกู้นะพอท่านไปถึงในท่านด้วยความศรัทธาต่อพุทธศาสนานี่ท่านไปเห็นสภาพโอ้ยรกรุงรังเศร้าหมองมากไม่มีคนดูแลรักษาพวกมัหันดูแล มันก็ดูเฉยเฉยมันไม่ได้ทําสะอาดอะไรให้นะท่านก็เลยสังเวทใจนี่ก้มศีรษะลงกราบพุทธคยาเนี่ยท่านว่าอุเพงคาปิติปิติที่โลดโผนมากเนี่ยแผลซ่านไปทั้งตัวเลยจนลุกไม่ขึ้นนี่หน้าผากจรดพื้นซ่านไปทั้งตัวเลยท่านว่าโอ้นี่น่าสลดหน้าสังเวทใจพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองนะี กลับมาดับศูนย์ลงโดยที่ไม่มีใครใส่ใจเลยเนี่ยท่านก็เลยเกิดความสำนึกขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องอุทิศชีวิตนี้ เ, นเพื่อพุทธสถาน เ, เพื่อกอบกู้พุทธสถานให้ชาวพุทธท่านก็เลยตั้งสัจจะธิษฐานในขณะนั้นบอกว่าจะต้องพยายามที่จะหาทุกวิธีทางที่จะกอบกู้ทรกษยานี้ขึ้นมาให้ได้เนี่ย ท่านก็เลกเป็นกำลังสำคัญในการกอบกู้พุทธคยาใช้เวลาตั้ง40กับ40ป่ปีจนท่านต้องเสียชีวิตแล้วพุทธคยาถึงได้คืนมาให้สาวพุทธนั่นก็เป็นบุคคลที่สำคัญคนหนึ่งที่กอบกู้พุทธศาสนาประเทศเล็กๆล่และแต่ว่าก็มีคนที่เข้มแข็งศิลังการมีสองครั้งสองคราด้อันนี้พูดถึงฝ่ายโยมนะ ที่นี่ฝ่ายพระฝ่ายพระก็ถูกเข า, เาไล่ศึกบ้างอะไรบ้างเขาบังคับบ้างอะไรบ้างนี่ก็หนีกระจัดกระเจิงกันจนแทบไม่เหลือพระเลยสิลังกาเนี่ยหนีไปอยู่ต่างประเทศมาอยู่เมืองไทยบ้างที่ประเทศไหนมีพุทธศาสนาก็หนีกันไปนะมันเปลี่ยนการปกครองไงแต่ก็มีอีกสามเณรใจสิงห์สามเณรใจสิงห์เหลืออยู่องค์เดียวเป็นสามเณรนะไม่ยอมไปอยู่ที่นั่นแหละเนี่ แล้วไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาไม่ยอมศึกด้วยเนี่ย่ครับท่านมีชื่อเลยชื่อสำเนนสารนังกร อ, อะไรนี่แหละถ้าจำไม่ผิดเนี่ย่อจนกระทั่งว่ากษัตริย์ซึ่งมันก็เป็นคนละศาสนาแล้วเนี่กษัตริย์นั้นเขาเห็นว่าเอพระก็หนีไปหมดแล้วสว่วนชาวพุทธก็ ลังเลวนเลก็ไปทางไหนก็ได้บ้างั่นเถอะเพราะมันไม่มีที่พึ่งแล้วพระก็ไม่มีแล้วเนี่ยนี่ก็เอาตัวรอดของใครก็มันเขาชวนไปก็ต้องไปเข้าโบสก็ต้องโบสคิดโบสถอะไรก็ไปนีไม่มีสามเณรอง์เดียวที่ยึดมั่นเนี่ยยังอยู่วัดยังไม่ได้วันไวสะทกสถานเลยเนี่ยนี่นี่กษัตริย์นี่หรือเป็นพระธานาธิบดีผมจําไม่ได้แน่ก็เลยสงสัยเนี่ยบอกว่าเออสามเณรนี่แปลกเล ก็เลยเรียกเข้าไปเฝ้าว่าเงี้ยเรเรียกเข้าไปครับเขาคงจะไปถามไปสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมพุทธธรรมไม่ถึงไม่ไปมันเขา <c oughs> เข้อนี้กันหมดแล้วเนนเะนี่ยมีอะไรถึง เ, เรียกว่าปักใจอะไรถึงทนอยู่ได้นะแล้วมีดีอะไรนะก็อยากจะรู้แนละ้วเนนก็เลยได้พูดธรรมะเนนก็เก่งนะเป็นเนนที่แตกฉานนะพูดจนกระทั่งว่าผู้นํานั้นเลื่อมใสาสามเสนใช่ไหม แล้วก็เลื่อมใสพุทธศาสนาด้วยเนี่ยจนกระทั่งว่าศรัทธาจนอยากจะบวชอยากให้ลูกหลานบวชเนี่ยถามสามเณรว่าแล้วถ้าจะบวชบ้างไะจะทําอย่างไรเนี่ยบอกว่าอาตมาบวชให้ไม่ได้เนี่ยเอาทำไมบวชไม่ได้เลยเพราะการบวชในธรรมวินัยของสงฆ์นี่จต้องอาศัยหนึ่งมีอุป a า h a แล้วมีสงฆ์ถึงจะบวชได้เนี่ยบอกว่าแล้วจะทํำยังไงถึงจะบวชได้ก็ ก็เลยบอกว่าแนะนำโน่นแหละต้องมาเมืองไทยสยามวงต้องมานิมนต์พระทางเมืองไทยไปนี่นั่นก็คือพุทธศาสนาศีรัง ก, ก็ลังกาวงหมดไปก็สยามวงเข้าไปแทนนี่จนกระทั่งว่าถึงปัจจุบันนี้ก็พุทธศาสนาที่ศีรกาก็คือสยามวง แต่ก่อนเรารับสีลังกามาเรียกว่าเป็นลังกาวงเลยกลายเป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่างศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาความเจริญความเสื่อมเนี่ยแต่ว่าอยู่ที่จิตใจเมืออกันอยู่ที่ความแข็งแกร่งของผู้ที่มีความรักต่อศาสนาจริงๆสมกับที่พพุทธเจ้าว่าถ้าเราแข็งแกร่ ง, งเราแน่จริงๆน ก็ทำให้พุทธศาสนานั้นอยู่ได้เนี่ยโดยเฉพาะถ้าไม่รู้หลักธรรมนี่ทำให้เสื่อมได้เร็วมากถ้ารู้หลักธรรมทรงไว้ซึ่งหลักธรรมหลักธรรมมันสามารถเรียกว่าแก้ไขจิตใจของคนได้ด้วยความจริงด้วยสัจธรรมไงพุทธศาสนาเป็นความจริงคนที่ม่เหตุมีผลก็ยิ่งชอบอถ้าคนที่มีความรู้มีความแตกสานในคาสอนพุทธเจ้านี้ คนที่มีปัญญาฟังแล้วเขารับได้รู้ได้แล้วก็คอยตามได้สังเกตดูพุทธศาสนาเสื่อมก็สัจธรรมเสื่อมคนเข้าใจสัจธรรมน้อยเขาถามอะไรก็ตอบไม่ถูกเนี่ยตอบไปก็ผิดหลักไปหมดเลยเหมือนพูดติดตลกไอ้อนุศาาสนาจารย์คนหนึ่งเขาเขาบอกว่าเาออกมาพูดก็คงเป็นเรื่องตลกก็มันแง่คิดเหมือนกันเนเขาว่าไกลเนี่ย คนต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยใกล้มันไม่เก่งมันไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาเลยเนะี่ยมันเห็นแม่ชีเดินไปเนะี่ยแม่ชีเดินไปก็จูงเด็กไปด้วยเนะี่ยฝรั่งมันถามว่าอันนั้นใครเขาเราียกว่าแม่ชีแม่ชีคือคือใครคือผู้ที่ซื้อสิน 8. แบกมันมันก็ถามว่าแล้วเด็กคนนั้นคือใคร ก, ก, ก็ลูกแม่ชีนะีเขาบอกลูกแม่ชีนอ้าว แม่ชีมีลูกเลยแล้วพ่ออยู่ที่ไหนเ่ยพ่อก็คือพระอธิบุรกษเขามาเนกันอ่ะก็ไปกันใหญ่เลยนี่ความไม่รู้เนี่ยพูดเหมือนติดตลกแต่ว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะพ่อๆไกดพวกนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เลยพูดกับคนไม่รู้เนี่ยก็พูดได้หมดเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจไขว้เข่ขขไปได้นะ น, นี่มันก็เลยทําให้เสื่อมได้ก็โอพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้มีครอบมีครัวอาจจะเป็นอย่างนี้ไปได้ก็บางที่บางแห่งแล้วเออพระทําไมมีครอบมีครัวนีแต่เมื่อเจาะเข้าไปจริงๆการได้ยินนี่ก็ฟังหูไว้หูอย่างเดียวกันนะพอถามเข้าไปจริงๆเขาบอกว่าไม่ใช่พระเขาเป็นผู้ปฏิบัติเฉยๆเขามีครอบครัวเหมือนคนนุ่งขาวหรือมาถือศีลอะไรนี้แต่ปากคนบนปากยาวเนี่ยเาวอกปากยาวไปเล ก็บอกพระมีลูกมีเมียอ่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เขาว่าไม่ใช่นี่พระจริงๆก็เขาก็ไม่มีเหมือนกันเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วนีขนาดของพวกอื่นเขาก็ยังเคร่งเลยเห็นว่าพวกมหันเนี่ยอยู่ใกล้ๆพุทธกยาเนี่ยรัธิที่เคร่งต่อศาสนาเขาก็ยังไม่มีครอบครัวเลยเนี่ย ถ้าหวังความหลุดพ้นจริงๆอันนี้เขาก็ย่อมรู้กันอยู่แล้วเนะี่ยนักคิดนักคนแต่ก่อนนะว่านี่มันเป็นกิเลสเนะี่ยมันไม่ใช่ทางแห่งความบริสุทธิ์ความตรัสรูนะ้เนี่ยไม่มีใครที่จะกล้าไปประกาศตนอย่างนั้นหรอกนะยิ่งทำได้เคร่งขนาดไหนคนก็ยิ่งนับถือเนะี่ยก็เลยมีการแข่งขันกันในการประพฤติปฏิบัติเรื่องโยคีอะไรต่างๆนั่นกะ็เป็น เรื่องศาสนาซึ่งมันก็มีความเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวนะเนี่ยแล้วเราก็คงจะได้เห็นเห็นหลายเรื่องหลายอย่างนะเนี่ยการที่พุทธศาสนาจ ะ, จะเจริญจะเสื่อมนั้นกำลังของพุทธบริษัทเองก็เป็นส่วนสำคัญเนะีแล้วสำคัญที่สุดก็คือผู้มีอำนาจก็มีส่วนสำคัญนะเน่เราจึงเรียกว่าชาติศาสนาประมากษัตร์นะ ถ้ามีแต่ศาสนาไม่มีคนทํานุบํารุงก็ไม่มีกําลังเนี่ยเหมือนประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศใช่ไหมอย่างลาวขเขมอะไรเงี้ยศาสนาก็อ่อนกําลังไม่มีกําลังพอผู้นําเขาไม่ได้สนับสนุนอะไรเนี่ยพม่าอย่างดีนะแม้เขาทหารปกครองแต่ทหารเขายังแข็งแกร่งต่อศาสนาเนี่ยท ำ, ทำนุบํารุงศาสนาศาสนาก็อยู่ได้เนี่เพียงแต่ระบบการปกครองเขา สังคมไม่ค่อยยอมรับเท่านั้นเองแต่สุดท้ายนี่ก็เปิดแล้วมั้งเปิดแล้วก็น่าจะดีขึ้นวันนี้ก็สมควรแก่เวลา